นัโมตัชฌะกัวะโตระหัโตสมมาสมบุทัชฌะนโมตัชฌะกวะโตระหโตสมมาสมบุทัชฌะนโมตัชฌะวะโตระหโตสมมาสมบุทัชะสุนาตุเมผันเตสังโฆอจุโกสโทปนมะระสยันติสังขตะปตะกันลังสังโฆอุโสทังกเรยะปาติโมขังอุติสิยะ พิงสั้งขัดซาุมติจังปาริสุถิงอายัตมันโตโรเจธาปาริโมขั้งอุดิสิธามิตังสัเบวะสันตาธาทุกังสุโนมะมานิกโรมะยัสสิยาอาปติโสวิกเรยะสันติยาอาปฏิยาตุนนิภวิตตบังตุนนิภเวนะโคปนาัตมันเตปริสุธาติเวดิชาามิ ยะาโคปณะปเจะปุทั์สะเมยยกระนองโหติเอวะเมวังเอวะรูปายาปริธายะยาวตติยังอนุตันต้าวิตังโหติโยปณะทิขุยาวตติยังอนุต้าอยามาเนสระมาโนสันติงอาปติงนาวิกเริยตัมปเจานะมุสาวาดะชะโหติตัมปะญานะมุสาวาโดโคปนาจันโตอันตรายโกธรรมโมบุโตภะวะตาตัตมาสระมาเนนาปิคุณาอปเนนะวิสุถาเปเคนะสันติอาปติอาวิกะตัมบาอาวิกะตาหิตาภาสุโหติ